อย่าสร้างในที่นี้ถ้าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายทั้งมีบริเวณโดยรอบพึงบอกสงฆ์ว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายทั้งมีบริเวณโดยรอบพิสษุผู้จะสร้างกุลดีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉวียงบ่ากราบเท้าภิสษุผู้มีภรษาแก่กว่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการสร้างกุดีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวาย สร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองกระผมขอให้สงแสแดงพื้นที่สร้างคุต ด, ดีเพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่2เพพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สาม